เราอาบม่ราอาบนเท่าไหร่ถ้าอุ่นท่ากันกระดานได้เข้าใจเองกันระบะเหมือน้คีน้ำาหรือน้ำผึ้งเขาลบยา้งฟเชือกกะบาคือใช้ก่ะบากระบาจัวกเนี่อช็อตเนื้อคุยเป็นเชือก สบายเทงนี่ดอกเหรอจิ้มก่อนจิ้มเขาก็คนคนกคนคนหลายคนเป็นอาหารโบราณสัมผัสเ็ดธรรมดาสัมผัสมาเที่ยงพ่อกันเช็ดทุกเช็ดนะจังคนจังอยู่ไปอยู่มน้ารถคนรักออกู้นี่เหรอสัมผัสสัมผัสเกลืคนเลย ก็เอป็นหัวหิ้งมกาดออกมาตัดหน้าด่ีอนเทดด้ขนาดจนกินเอดยอ่กวาจะได้เนาะมันีบาดแหงอายเห็นแหงซ้ำเห็นดนกห้าดิ้งเตาย อย่างนั้นไนอน้ใจเางอแรงจิ้มีนามีท่านคือเขาผู้แก่สมัยก่อนต่เป็นสกิจเจนหลุกนเจหลานหายหลากแบสคือนมลแมวถ้าไหนเกิดเคืเวลาคิดผ่านมาก คือกันเน่ยคนปาเข้าตดมือือกันไล้ถ้าใตาเข่ามือกันนะหายลมดีอะแต่คงนี้ไม่ได้นะแต่เป็นหนุ่สาชอบกันแล้วไปตดก็ได้ยินแล้วคู่นั้นเน่ะเขานาสนใกันไม่ได้เยอะเป็นแบบนั้นสมยก่อนเดี๋ยวนี้เล่นวันกันแล้วพรคนมันส่งเสียวถึงกันแต่ก่อนหรือ ถือสองขั้นมาหน่นสาวเ้วกปตดให้คนแก่ที่เป็นฝ่ายแฟนเขาได้ยินเนี่ยให้เยนิ่งนท้าเขาเจอกังให้เลือกระกันขนาดนั้นถือกันแต่อย่างสิทธิ์เขาต้องฝังเขาไม่ถือมั น, น, ม, นมันเคยมาฝอยมาที <laughs> ไ, ไหนกันดิส <laughs> ันตี คนเจ็บใจหรือคนตามันอายเหนื่อยล้อนรู้สึกเหน่อยคิดกรักิบทำให้จะจนไข่ ขึนสามเป็นอะไรตีสองยังไม่หับขึ้นไปนิดเดียวมันมีสมาพากษ์นรับมันก็ไม่หับอยูมันร้อนมันไปบ้านเดิมบรรยากาศถ่ายฝนสิบเอีกด้วยน่ายขึ้นอย่างเมึงสิเอีันหนาอยู่อก เป็นคนแล้วบ้าปังแล้วบ้าพีนึงไอ้พีนึง ฝังเหมือนกันหนึ่งแล้วช้นสายจางเหยียตาสือตาแมสื่อตมี่ระเด็ตฝัเหมือนกันจะทำสอนเขราว่าเราเน้นสอนพระสอนเข้าวัดติดตามขันตามภูมิท้องคนแบบคนชาวนาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติต่กงสอนไปอีกแบบหนึ่งแต่คนยัง ทำบุิคมทานธรรมดาถึงสอนไปอีกแบบนึงการสอนสอนไปตามหน้าที่ตามบุคคลผู้คนสอนเหมือนครูผู้สอนนักเรียนท่านประถมเจ้ามัธยมอุดมศึกษามาสอนประถมเขาก็มาอยใจทางอุดมมัธยมเจ้าท่านประถมไปสอนเขาก็ดูหมือนยิทาในการเสื่อมทราม ของครูของอาจารย์ด้วยกันเนี่ยสอนก็ทคำนองเดียวกันแต่ท่านที่สลาดถึงท่านแตสอนแบบไหนก็ฟังได้ฟังออกเพราะธรรมะเป็นาานะสาธารณะสอนแบบนั้นสอนแบบนี้นนบบมีแต่ข้ออัดข้อทำที่ควรจดควรจำไปไปพูดไปฏิบัติ เพราธรมของพระไตรากนั้นมันมีคุณค่าสาระสำหรับจิตจิตจังมีความผิดความเสียหายอยู่เหมือนกันกับคนหนิวโรคภัยเป็นของจิ่จำาจ็นจิจะต้องแสวงหายาหรืคอคนหิวตจาต้องจำเป็นกับอาหารคนหนาวจิตจะต้อง จำเป็นกับผ้าหนุ่มผ้าห่มคนร้อนจะจำเป็นกับน้ำนี่เป็นเรื่องจำเป็นเราทุกคนทีิดเกิดมาก็า ม, มีเรื่องจำเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนจะตไปสบเรื่องของทุกข์ของชีเลตตัณหาของโลภของกวดของหลงที่มีอยู่ในจิตในใจแต่นั้นจึงต้องศึกษาธรรมะเอาไว้เพราะธรรมะเท่านั้นที่จะ ห้ามกัน้นใ้จิตใจรั่วไหล <c oughs> ไปในทางชั่วทางเสียต่างๆทางหากไม่มีรร ม, มาหากห้ามเอาไว้ก็เหมือนกันกับเราหิวมาไม่มีอาหารบริโภคเราก็รู้สึกว่าจะ เ, เหนื่อยลําำบากเกิดโรคมาไม่มียารักษาก็ลำบากทุกข์ทรมาน หนาวมาไม่มีเสือผ้าหนุ่งห่มก็เหมือนกันฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านทุกคนจะควรสนใจเอามาอบรมแนะนเำเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดกิเลสปัญหาขึ้นมาจะต้องขว้าธรรมะมาเยียารักษามาแนะนจิตใจข้องตัว ขาชำระถากมีอยู่ในจิตใจของใครแล้วคนนั้นจะปลอดภัยจะมีความสุขความสบายถึงทุกโทษที่เลสปัญหาจะมีอยู่ก็มีการก่อนเบาลงไปตามลำดับโดยอำนาจธร ร, ขธ ร, รขววะข่มเสียไว้สกิดขันติความอดคน ธรรมะความขมใจอยู่เรื่องธรรมะ <c oughs> มียากความขากเพียนพยยามหักห้ามความสั่อมเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางใจในเหลวไหลออกมาทางบใบช า, าทางกายถึงคนอื่นจะได้เลือดร้อนอุ่นวายจากการผูกการทํำของตัวนี่คนมีธรรมะหักห้ามจิตใจขั้งขั้นอย่างนั้น เราทุกคนจี่แส้งหาธรรมะปกติระวังรักษาธรรมะเอาไว้ควรใช้ในการใดสมัยใดก่อนํำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในประโยชน์ใช้ในเป็นธรรมะแท น, น, นที่จะเป็นคุณปกกลายเป็นโทษเหนือนหนี้ทาของเราแทนที่จะเอาไปทําการทํางาน ให้เสืดสารประโยชน์หรือไฟเป็นต้นแทนที่จะไปหิ้ต้นหรือส่องทางขอไปเขาบ้านเขามเมืองเสื้อหรือผ่าแทนที่จะไปทางป่าหรือทําการงานด้านอุมนนเกิดประโยชน์จะไปฟันชีจะ เ, าเขาเสื้ออย่างนี้เป็นต้นทํามานั้นก่อทำนองเดียวกันใช่ชช่ในถูก หน่าสี่ของมันใช้ในถูกการเวลามันก็เสียหายไปสนใจเกิดราคาปัญหามีความกำหนัดยินดีอยาไปช้าเนตาในคนคนนั้นเข้ามีความรักใครสถานะดีต่อเขาแต่เอาเรื่องธรรมะที่มควรจะแก่การ รักใคชอบใจการเกิดราคาปัญหาไตที่นิ้พุชเจรานาไปชอบไปพอในคนคนนั้นนันก็เป็นค่าสุดแต่คนคนนั้นเสียหายไปได้แต่นั้นเรื่องชายธรรมะจึงจะต่องที่นิ้พุชเจรานาะให้ชอบในวารละในนาที คนทีมีธรมมธรมะในถารี่ใดมีทรรมฉลาดมีสติปัญญารักษากายใจทองตัวคนนั้นปลอดภยัยมีธรรมะจาเ็นกับชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์เหมือนสัตว์ธรรมดามนุษย์เขาถือว่าเป็นผิมีสติปัญญาและมนุษย์ ชาณาคจะพุทธปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้และเชื่อมเพิ่มดีให้ไปจักในจิตในใจจนหลุดพ้นไปจากโลกได้ส่วนสัตว์อื่นทางศาสนาหรือว่าอพัพพัสสัตว์คือสัตว์ในคนรัวตัดสูถึงจะแน่สอนเขาขนาดไหนเขาก็จะ ม, มีทางที่จะแก้ไขจิต ใ, ใจของเขา ดูยุติเสตได้แต่ก่ยังมีพื้นฐานที่จะได้ไปสู่สุคติได้เนื่อนกันแต่จะต้นทุกคือตัดี่เหลนปัญหาอวิชาอุปาทานในใจนั้นถ้ามไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาไม่มีทานฉะนั้นเราทุกคนเป็นสิน่งที่มีโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาและเลือ่อนใสศรัทธา มาปฏิบัติเป็นเป็นว่าให้ทานรักษาศีลจะเรินลาวนาตามความสามารถของตอนคน ท, ที่ทำส่วนนี้ถึงจะมีภพชาติต่อไปก็มีความสุขกายสุขใจเพราะจะไม่ผิดหวังคน ท, ที่ไม่ใดมาประพฤติปฏิบัติทำอะไรจะได้ความสุขความสบาย ทางกายทางใจอยากจะได้ควบชาติ่ยืดเยืเศษคนเส็นนั้นถึงจะร้องให้น้ำตาไหลจนเลือดออกมาก่อตามเขาไม่มีวันเวลาที่จะเจอทวามสมปารถนาของเขาเพราะเขาไม่สะสมเอาไว้เราทุกคนอยู่ในสมาธนอนใจอุตส่าหพยายาม ทำบุญสึ้นทานพยายามรักษาศีลจะเริยนเมตตาภาวนานั <c oughs> นบว่าเป็นถื่นบุญวาสนาถึงจะเกิดตายต่อไปเดยอำ น, นาจจักพาการเสื่อความเหลื่อมใสที่เราไดชะเอมเอาไว้จะเป็นช่องทางให้เราไปประส บ, บทุพชาผืดีผื่นยิเศษ ถึงเกิดเป็นมนุษย์ก็ผิดมนุษย์ธรรมดามีสติมีปัญญามีวิชาความรู้มีสมบัติทางนอกทางใ น, นสมบัติทางนอกหมายถึงเข้าของต่างๆในอดอยากจนสมบัติภายในสือกายบาจาใจทัองตนกายกั บ, บริสุทธิ์ไม่เกิดโรคไข้ไข้เจ็บไม่เกิดอวัยวะต่างๆพิรุษ ที่การลายจาก่อยเจ็นคนได้ฝูดชัดถ่อยสัดตามจิตใจก็สลาดเียบแหลมในการนึกคิดหมายถึงเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นด้วยอั น, นาบุญกุศลทางศีลภาวานาที่บุคคลได้รักษาแต่ทำบําบเพ็ญกวาสามารถที่จะได้เกิดเป็นถวเโรืได้ เกียติภูตเกียิภดามีความสุขสนุกสนานมากฝ่ามนุษย์หลายเท่าคนเราถั่วไปสี่เกลื่ยดับรับจังเอย่างตหลักตำราทางศาสนามารักษาศีลหรือให้ทานกับาสนาอยากจะไปเกิดเป็นเกียรติภูเกียรติภดากันโดยส่วนใหญ่เพราะใจยังหลุลนหลงในรูปเสียงดลนรลบทบท่า อยาเป็นท้องดีท้องดีเป็นทองให้คุณเหตุประโยชน์ยังาไม่เห็นโทษในการเกิดการตายั้งตัวโดวยมากใฝ่ฝันอยากจะไปกันอย่างนั้นที่จะไปกันได้ก็ต้องอาศัยคุณงามความดีมีเทวธรรมในกายในใจแต่นั้นเชื่อฟัากันสะสมก็อสร้างเอาไว้ตายไปจะได้ไปสู่ สุขสิโลกสวรรค์ที่พวกเราผ่านต่องการกันเพราะโลกสวรรค์ น, นั้นมนุษย์ธรรมดาสวนเราก็เคยพูดกันว่าเป็นผู้หญิงเสือตัแหมเหมือนเทวดาสายเสือตัเหมือนเ ท, ดทเวเเทดาบุตรหมายถึงว่าพวกนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผ่องสวยงามมากผิดคนธรรมดา เทวดาเทวดาบุดโดยคนใหญ่คนไหนมีตาในในสามารถึงจะมองเห็นตาเนื้อธรรมดาอย่างพวกเราท่านเห็นแล้วกว็จะใฝ่ฝันหลงไหลเนี่ยพระพุที่ยังมีกิเลสอยู่มีมารดาได้ทำบุญคุนทานตายไปเกิดเป็นเทวดามาพูดจาเนี่ยสอนพระลูกชาย ขีกสันอยากฝึ ก, กว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหนาต่างๆอุตสาหพยายามขวมขี่จิ้วจัญหาต่างหนาต่างๆรักษาจิ้มทำต่อไปยังจะมีโอกาสเวลาจี่จะได้รับความสุกความเจริญพบขาดขีดีขีด ง, งามให้ห น, นี่ได้ทําบุญเิ็นทานอย่างนั้น น, นี่จึงเลยมาเจอเป็นเทวาดาแต่ลูกสช้างอยากจะเห็น เชอวาดาแน่เลยทำให้เห็นพอเห็นแล้วยิ่งจะงใจ宽ใหญ่จะอดใจไม่ได้เพราะความรักใคร่เกิดราคะปัญหาแรงกล้าขึ้ น, นหมายถึงเชอวาดาสวยงามถึกจิตจิตามตำรับตำราสก่ า, าไว้อย่างพระพุทธเจ้าของเราทรงทรมานแนสอน น้องชายสองท่นนานนันทะิสุนันทะกิุคนนี้เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าพอโตโ ต, ต, ต, ต, ตขึ้นมาจน่มพระเจ้าสุเทวทะนะมหาราชก็อยากมอกสมบัติให้เือจะให้เป็นพระเจ้าแทนยืนแทนกิสถากุมารถึงเป็นพระพุทธเจ้า มือ ห, หลังอยู่แล้วมันจะเอาลูกคนนี้เป็นจ่าสัตว์แทน้าวงข้าองกว่แล้วนั้นลุ่มมาแล้วก่อแต่งงานกัแบาบนจนระบบกัญญาณีจนจนสาวสวยของประเทศนั้นจนระบบนั้นตามคามคิดเห็นในใจของนันค่ะ ว่าไม่มีใครที่จะเหนือกว่าอย่งคนนี้ยกาตัวจี้ยาไมาทุกสิ่งทุกส่วนถูกอถูอย่างยิ่งยอมแต่งงานจะมาให้เป็นอีทพราที่มีในสมัยปัจจุบันอย่างเดียดพระาที่มีแต่ก่อนก็เอีคือเป็นยาของกร แต่ตามจชียงแต่นัวนื้ภาษาธรรมดาบ้านเราแต่ภาษาภาษาไทยภาษาราซาจับเขอเขียนไปอย่างนั้นกานแต่งงานวันนี้มนุ์พระพุทธเจ้าเข้ามารับพินทาบาทเพื่อจะให้เป็นสีมงคลแต่งงานท่วงตอนในการแต่งงานพระพุทธเจ้าจะรับนิมนต์จะเด็กเข้ามารับ บินธบาทิขันในราชสวังแต่พอขันเสร็จแล้วแทนที่จะอนุโมทนาธรรมดาแล้วก็ส่งบาทให้นันทะตามระส่ง่วัตตามประวัตของนันทะที่สุขฉันตามส่งบาทรพระพุทธเจ้าพอลงจาก ยาส า, าสตร์ัสว่างไปวางโซนระบบตรยานีส่งเนแฟนใหม่ย่านใหม่ดินอนหยอนกันเล ย, ยแ่ละก่สั่งเสียถ้าลูกเจ้าไปแล้วให้หรีดเดือมานะทำนี้มันเข้าไปถึงทัศไทยของนงันาพิศอย่างยิ่งแต่จะไม่ตามไปหรือก็คอเครารหในพระเจดหา อยู่พระพุทเจ้าภาษาเราอยู่ที่ท้าใหญ่พอตามไปถึงว่าแล้วเก๋พระพุทเจ้ากับาวเอืยอ์ั้นท้าบวชนะถามตัดถามงานถ่ากับเจงพระไทยบอกว่าบวชอย่างน้นาบวชแล้วหยุดใจมันก็ไข่คิดต่องคิในทางระยาทางตน ก็แต่งงานในยยนั้นยั่งไม่ได้อะไรกันเลยแตหน้าบวชหยุดนั่งก่นยืนดูสิ่งจะบำเพ็ญเพียงเสื่อละถอนเก่ืลกปัญหาและยืนดู่งจะเดินจนเต็มภาวนนีแต่งงใจสุขเรยไปคอยใจคิดถึงอะไรยากปกติทุกคนจิจิใจยังไม่เห็น ม่อาจไม่ทำอะไรสิ่ดีต่าใจสิ่งที่ตัวชอบใจนั้นมันจะจังเป็นเหมือนกันหมด่วลาผู้หญิงผูกชายคนบางรายผูกคอตายแต่มีเพราะความคิดถึงถเก่าโศกเสียใจหัวไปมีแานใหม่หรื่ไมเไปมีซู้กับชายอื่นหากกันตายยิงกันตายแขนคอตายกินยาตาย มันมีดาดดื่นในหน้าน้องชู้กินหรือเ้าออกข่าววิทยุมี่ก็เพราะความรักความชอบใจความยินดีในสิ่งสี่ตัวเหมือนว่ายหลังงานหวานนายากได้หน้าพอใจมันจรินไปอย่างนั้นทั้ ง, งทั้เป็นความรักแต่จะเป็นใจเอาจิตเ้าใจไม่ตัวเองจนหมดทีวิต อยู่นั้นค้ะที่สุกจะทนานองเดียวกันบวดแล้วนี่จะสร้างไ่ฝันลดคุดติดขอนน้องในงานชนบทตะวันยามีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์สราบดีแต่ถ้าองค์มีพยานหนักแน่ท้าบบุคคลใดจะทรมานดยวยวิธีใดอุบายทรมานและบุคคลนั้น ถ้าพระไปจาเด็กเกิดแล้วม right ีความหมายจะต้องดีทุกรายใปไม่ใช่ไหยขันโสดโดยมาเด้คิดชืิธิุกเจานะขัน้วยใจ้วยานของท่านโดยอย่างจัดสุอย่างแก่มใสแล้วนันทานี้มีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากเราไม่รมาน จะมาบวชแต่นีโอกาสเวลาจนชราลาอยู่ไปจนกระทั่งบันลัยก็จะไม่ได้อะไรนอกจากจะมาบวชและทะมานให้แกนั้นรู้จักเรื่องท้องใจตัเวเองพอมาบวชคิดไข่ติดตามแต่ลาคาตัญหาคิดถึงแต่ธน า, ายาสิ่งแต่งงานใหม่ๆหม่แต่เนอันเดินจนสรงภาวนาละกที่โลก ง่ายๆใจฉุกหูวอย่างนั้นไม่มีโอกาสเวลาที่จะยินแยงเตือนใจเพราะความคิดใส่ในจิตในใจแห่งป้าพระพุทธเจ้าทร า, าบวาลาจิตอย่างนั้นก็ชวนนันทะไปเขี่ยวเพราะในที่อยู่ที่อาศัยทือพักคาของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ป่า สามารถที่จะเห็นสัตว์ต่างๆนานาได้อย่างสะดวกสบายยินดีเคยรักษาเรื่องของสัตว์ไว้ตลอดปัจจุบันทุกวันนี้ขนเขาไม่ใส่ฆาไม่ใส่ทำลายสัตว์เหมือนประเทศไทยเราสัตว์ปีนังเอยอะแยะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยมียรักษาเอาไว้แบบนั้นอย่างพระพุทธเจ้าสเสด็จ ไปเกิดันแต่ัตตีตีตายอิจิตตนานีฆาตายาวันไปพูดเป็นต่างกลางที่อาศัยอยู่นั้นถ้าจ้าเพลินยิ้มกักลางเอาไวไ้ในใครไปทำลายจัดป่ายังเยอะแยะเป็นป่าอยู่สัตวอยู่อาศัยอื่ตอนรักฆ่าบวชนั่นฆ่าบวชก็ทำนองเดียวกันพระองค์ท่านจะพาไปชนดูลีนตัวนั้นก็มีตัวนี้ ยังไงนันทะน่ะตาแข็งนางจนระบดกระยาณีกับเิีนเจอนี่อะไรเสือเ่วกันขันตัดถามทางนั้นก็เกใยใหญ่ล่ะมาเทียบกระยาของตัวสายจับเวีกับข่างกับสนีถึงต้นสัตว์ตาฮะความสวย ง, งามอะไรนม่า หน่าตาต่อดำดำดูอะไรก็ไม่เคยทาขอทีให้ถังก็ตัดถามไปอย่างนั้นแหละก็นี้ต่อว่าถังดูหนิ่นมิมมทาดูสั่นแนะสอนใงตาวาละกิจเขาสิจคิดจึงติดข้องแต่ภรรยาทั้งตนไม่เคยจับคิดเรื่องของจิตเลยว่ามันเป็นอย่างไร มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแปบปวนหรือไม่หรือมันพอใจแล้วไม่จะคพอใจอยู่เรื่อยใจคตทเมในตรวจตาพิจารณาจิตใจทั้ตททงตัวมากอยากจะไปแรงกล้าไม่วาทำโกรธหรือควทำรักจอมไปหนักจิตปกติก็ไม่สวดตาทพิจารณาเลยมีธรรมะมันเป็นอย่างนั้นมีนัมทะที่สุดเหมือนเดียวกันเพราะ ด้านเอกโยมธรรมะสอนใจข้างตัวพระพุทัเจ้าพาเกี่ยวไปเกี่ยวไปถามดูชิเถื่ยนเลื่องเถื่อนข่างผู้ค น, น, น, นมีเรื่อยไปเห็นตัวไหนก็ถามเชิที่สุดเห็นนันทะโกรดในคอยใจในคำจัดถามขาาองพระองค์พระองค์ก็โดนบันดาน ทานันทะไปเกี่ยวสวรรค์ไปเห็นนางเขียบอักษรบนสวรรค์านันทะเห็นเข้าเดมนเลยอย่างเก่าอย่างนายเป็นะประบบปรายณีมีรูปร่างของนางพ้ะเถียบอักษรเทวดาถ้าพูดตามตหรับตำราแล้วสวยงามมากผิดมนุษย์ธรรมดาจนละ ไปกันน่ะเหมือนฟ้ากระดินสุกิดง่ายๆคนที่เห็นมนุษย์ธรรมดาได้แบบเฉลียงานขนาดไหนก็ตามพอไปเห็นนางเชือกอ่อนนางเทือกวดาเข้าจะลงไหลใส่สันลืมบ้านลืมของลืมไข่ลืมของไม่ต้องการอะไรขอให้ได้อยู่กับนางเทือกวดาเป็นพอใจ นัน่นแะใข่คิดอย่างนั้นทุกคนก็เหมือนกันที่มีกิเลสปัญหาในใจถ้าเป็นผู้ชายเดยจะต้องชอบใจติดใจในนางฟ้าเทวดาถ้าเป็นผู้หญิงเด๋จะชอบใจในเทวดให้บุตรเพราะรูปร่างตางสัวสองขันสวยสดงดงามจิตแตกแตกต่างคนธรรมดาการงานตัเองจะทำอยากอะไรหนึ่งหม่ม อยากได้อะไรรับทานใดๆอะไรหนึ่งห่มอยากได้ส่วนอะไรสะดับมันเกิดเ อ, องเป็นเ อ, องได้มาตามศาสตร์านาของตัวเพราะบุญกรรมที่ทำไว้แต่มนุษย์อำนวยเอื้อช้ให้เขาจึงมีความสุขทางกายทางใจงขอ ง, ของเขาหุ่นเงยบันเทิงใจในความเป็นอยู่ของเ ข, ขามากกว่ามนุษย์หลายพันเท่า นางท้าไปเห็นเ่าจึงชอบใจติดใจพระพุทธเจ้าเลตองตัดถามจะยาได้ไหมนางเทวดาเหล่านี้กับนางชนทบทภรรยานีขางเธอเป็นอย่างไรนางท้าที่สุดแตัดตอบพระพุทธเจ้าเหมือนกันละ่ะนางชนทบทภรรยานีนั้นเหมือนกันกับนางรีนางข้าตามป่าตามโบง ไปชมมาสามารถเกียบกับพวกนางเท ว, วดาแล้วตกลกันมากยายได้ไหมอยากได้ยายได้ต้องทำความเคียรเดินจงกรมภาวนาพิจารณาสังขานเป็นธรรมสารของพระเจ้าคนนั้นก็เด็กท้านดากได้ความใฟส่สันความยินดีในรูป อย่าการเสืท้องนางเทวดาพอจับมา ถ, ถึงวัดแต่เดินจงกรมภาวนาเอ า, เอาจินเอาจ า, างพราะความอยากได้ความคิดถึงนางจนระบบกายาณีตกไปหายไปไม่มีอะไรเหลือหรอเพราะชอบนางข้ามากพอทำความเทียนเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างนั้นพวกื่อนถึงเขื่นเข้าคนนั้นนกะพูดคนนี้ก็ ว่านันทะทำความเทียนเพื่อความตัองการนางฟ้าเทวดาเพื่อแบกเปลี่ยนนางฟ้าเทวดาไม่ใช่ทำความเทียนเพื่อเหตุอื่นคนนั้นพูดคนนี้พูดโดยยิ้มทึ้งแผลสดของนันทะเข้าพอถ่านเนกระสัตโดยยิ้มทึงหูเข้าไปรู้สึกละอาย ใช่จิตแอเรื่องของจิตนี้มันกลับตอกรอกหลวมเยอะเกินแต่ก่อ น, นแต่ทีหลังจ น, ะนบบระเบกดภรรยานิจนทนหยุดทนดีทนยิ่งดแต่เมื่อไปเห็นนะเถตุอับสอนภรรยานีเทวดาเขา้าเราเลวนหลงเชืาา่อเมื่อไม่คิดเนี่ยจะนิดเดียวถึงภรรยาเก่าจิดของเรานี้เอาความจริงจังแน่นอนไหนได้ถ้าเราจะชื่อมันไปเห็น หยุใหม่คือเสื้อสดงดงามยุ่งกับ น, นเสือส้ออากาศความเท่ามันก็จะไปจิตไปท่องลืมในเสือส้ออากาศคามไปอีกมีเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้แต่เราไปยืนตามมันเชื่อมันก็จะไม่มีวันสุขวันสบายให้มีแต่ความรักความชอบใจเดือดร้อนวุ่นวายแอบเขาอยู่ตลอดเวลามาละเลิกได้จิตใจแต่แผลทาย การจิตจิบข่องส่วนนั้นผมที่สุดจิตใจก่เรวมสงบให้จิตใจก็เห็นอัจเห็นธรรมจนได้ตัดสะลุบรรลุเป็นอรหัตอรหันต์จากนั้นนันแปลว่มีอะไรที่จะลบเคลืน่นจิตใจจิตใจสะอาดจิตใจ่ผงใสจิตใจปกติจิตใจเยียดเยินจิตใจบริสุทธิ์อื่พระพุทธเจ่ า, จาสอน ถือที่คสอนอย่างนั้นทา่าสอนอย่างนั้นถ้าพูดทำบัณฑาอย่างสามัญชนเราก็จะถือว่าผู้ได้เจ้าโกหกนันทะหรือปุตเหยียบไปไปในทางเสือทางเสียกับนันคะบอกไปโฉงบาตรแล้วก็กลับบวชให้เราจะเอานางเทวดาให้ วันเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวกำเร็จเป็นชารหัสอาหารยหยจิตใจของบัวเราทันกว่ท่านองเดียวครันความรักความชอบใจนั้นในคงเส้งคงวาจิตใจมันกับตรอกหลอกหวอนมาท้าหาักเราเปือกตาที่เจอมาวก็เคยเห็นคนที่เรารักเราชอบใจเรายินดีเราพอใจแต่บางตามบางสมัย บางข้างบางชาวมันก็เบือ่อนอนะ่ะนเห็นคนใหม่ยืดตาน่ะจัดแตนะน่ะยืนยืดปากแต่น้นจิ้งมีการนอกอกนอกใจกันมีการอย่าร้างกันกว่าพอะเหตุหจิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันกลับปอลอกหลอกหลอนแต่เราไม่สวดตาที่เรณาก็นนะไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นไปแบบไหน เราก็เชื่อมันเลื่อยไปความทุกข์ลำบากมันจึงประสบพบดีเลื่อยพบชาิมันจึงยืดยาวเพราะเราไม่เคยพี่พิจารณาจะตัดเยื่องพบเรื่องศาสตรของตัวนี่จะยินดีอยากเกิดอยากตายอยากได้อยา ก, ายากเรืออยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามาพี่นี้พิจรารณาตามเรื่องของธรรมะเพื่อําระจิตใจใช้ตามการตามสมัยให้ถูก มันก็เกิดสาระประโยชน์ให้เหนือมันเกิดราคาปัญหาขึ้นมาก่อมาพิเจณาเหลืองอสุภาอาสุพังอริจังอนัสตาเาหลืงสังขารหลางกายพิเจณาให้เห็นหลัเป็นของปฏิกริพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไหม่ที่ร่างอย่างยืนเหนืนอมันโลกมากๆกอ่อพิเจณาถึงทางว่าคนทุกคนตายไป ที่เขาแสวงหามาได้เขาหอบหอบิวหาบหามอะไรไปเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นทําไมมันจึงโลภจึงอยากได้ขนาดนี้ก็มีทางที่จะทําความหนักให้เป็นเบาไปทําความร้อนให้เป็นเย็นไปนี่คือธรรมะที่ชาระจิตใจให้สะอาดให้พองใสให้สุขให้สบาย คนที่มีธรรมะยังอยู่ในโลกสงบอยู่ในโลกสบายในวุ่นวายกังวลเหมือนคนที่อดจนธรรมะดังนั้นเรื่องธรรมะท่านก็ไม่สอนไปที่อื่นที่ใดซึ่งเราทุกคนไม่ได้ศึกษาจากํำหรับํำลาเป็นมหาบารีนเป็นนักธรมรมตีโตเอกเหมือนเขาว่าตาม ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะสอนลงมาสู่กายวายจาจใจของพวกเราทุกคนคนที่มีกายมีวายใจมีใจได้ยกชื่อว่าคนมีธรรมะสอนเห้ละสิ่งที่ชั่วที่เสียที่เดือดร้อนวุ่นวายก่อทุกข์ก่อโทษเจริญ ส, สอนให้บำเพ็ญสิ่งที่เยือกเยน็นเกิดความสุขความสงบ แต่กายว่าใจใจของต น, นที่เชื่อที่เสียให้พิจิตพิจารณาความจะทําจะพูดอะไรให้มีสติพิจารณาใจของตัวอย่าไปเชื่อความอยากโดยถ่ายเดียวถ้าเชื่อความอยากโดยถ่ายเดียวในอาศัยธรรมะเข้าพิจิติจารณาแล้วมันจะไปกันใหญ่ คิดไปมากไม่มีทางที่จะถูกจะเย็นจะสงบจากนั้นธรรมะจึงจำเป็นเมื่อเรายังมีจีเนียตปัญหาจะต้องนำมารักษาใจของเราเกื่อัความสงบสุขเกื่อวความราบรื่นเกื่อวความปลอดภัยด้อย่างุธรรมะจำเป็นแกก กายแฉ่ใจของบุคคลอย่างนั้นคนที่มีธรรมะเป็นเครื่องประดับจึงเป็นคนงามไม่บาครท่าวว่าคิดสุสามะเนนหนุ่มสาวเด็กคนแก่คนเฒ่าธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจใครแล้วคนนั้นสงานงามเป็นผี่เคารพเลื่อมใสถ่ะเป็นคนเฒ่าคนแก่ เป็นพอเป็นแหน่ยกว่าเป็นเจดีเป็นทีกราบทีไหวสักระบูชาของลูกของหลานเพราะมีธรรมะอยู่ในกายาจาใจของคนนั้นถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กเป็นเล็กก็น่ารักไข้เอ็นดูของผู้ใหญ่ยินดีเต็มใจของทุกคนไปเพราะเขามีธรรมะ เขาประพฤติกายวาจาตลอดจิตใจของเขาไม่ผิด็นผู้นิยมชมชอบตลอดมาแต่แกขัางพุทธการจนกระทั่งปัจจุบันธรรมะจึงไม่เป็นแข็งล้าสมัยจ <c oughs> นถวกเราทุกคนที่จะสนใจหามาประดับประดาในเส่ตายแล้วจึงจะให้พระไปสุธราธรรมะสุธราธรรมะให้ บน่วนเราจะเกาะแสวงหาได้แต่ในเมื่อเรายังไม่ตายเท่านั้นเราจะหาเอาโดยวิธีไดอยากจะไปเป็นเศษทะบุเศษทะที่ใดก็สะสมจะทามันเพ่นเอาอยากจะไปเป็นทงก็สะสมเกียจิตใจให้มีสารจะมาขิดสุดอยากจะบริสุทธ ยืมรถยืดคานก่อนหมั่นพิกรารณาตั้งฐานตัดล ะ, ละเรื่องขี้เหรตั้งหาอยู่เป็นข่าสุขของศีกของใจใส่สิ่นใส่หมดไป้ายนในคานเลยต่อไปถามมาอยู่ที่ไหนตมามราดยสุขของใจนั่นแหละจะบอก น, นี่คือเรื่องทุกคนที่สนใจในธรรมจะตั้งประทุษปฏิบัติ แต่ต่องนำมาที่นิจจานาะนำมาสอนตายลาใจใจทั้งสนในสนนั้นจำได้กั้งแต่ธรรมะจะในลงมือประเปฏิบัติส่วนฉวเสียอย่างไรถึงเขาวัดัางธรรมจำสีนภาวนาแต่ก็ยังทำยังผูสิ่งที่ฉวี่เสียให้หลุกล้านล้มด้วยคนอื่นเท็จเน เบื่อหน่ายอยู่นั่นจะไม่ถูกได้เท่าไรจะเป็นตำลาของธรรมะใจของเราเองก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเยียเยนสงบให้โดยในยเกิดสาระประโยชน์ถ้าหากเรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะจะนำมาต่อพื่อปฏิบัติการจัดยึงความเชื่อให้ตกไปล้ม เป็นการดีให้จะมีคูณขึ้นเราทุกคนแข็งศรีใจอย่างนั้นโดยจะพากันประสบแต่ความสงบความสุขความเย็นเย็นการอธิบายธรรมะเห็นแบบแปลงเต็มเวลาแล้วยุติเพียงแค่นี้เลยว่าง